เมื่อสองสามเดือนก่อนได้พูดถึงหมอคนหนึ่งนะอายุเพิ่งยี่สิบแปดปีแล้วก็ชีวิตก็กำลังเจริญก้าวหน้าได้เป็นอาจารย์แพทย์คนจะเป็นอาจารย์แพทย์ได้นี่ก็ต้องมีความรู้เยอะนะแล้วก็คะแนนก็ต้องดีด้วยเพิ่งบรรจุได้นะแค่สองเดือนในส่วนตัวก็ใกล้จะแต่งงานแล้วบอกว่าพ่อตัวเองเนี่เป็น มะเร็งปอดไม่ใช่แค่ระยะต้นนะระยะที่4ี่แต่ว่าคุณหมอท่านนี้หมอกฤิตไทยเนี่ยก็วางใจได้ดีมากก็ยอมรับนะกับโรคนี้แล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าแล้วก็ตั้งใจที่จะนำประสบการณ์นี้มาเผยแพร่ให้คนได้รู้เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งหรือเจอโรคร้ายเนี่ยแบบเดียวกับคุณหมอเนี่ยก็คงมีเยอะ แล้วก็เอาเรื่องราวงตัวเองเนี่ยมาเขียนลงใน a ฟ e b o o k เพจนี่ก็ชื่อว่าสู้ดีวะเนี่ยแปลว่าอย่าท้อถอ ย, เ, ยเมื่อที่ที่แล้วนี่คุณหมอท่านนี้ก็มาเล่าว่าเนี่ยนะสามเดือนผ่านไปหลังจากที่ได้พ่อตัวเองเป็นมะเร็งปอดระยะที่สีก็คือระยะสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่างรวมทั้ง ความนึกคิดด้วยคุณมากว่าเนี่ยความเจ็บป่วยนี่มันก็ดีนะมันก็ทําให้การตัดสินใจเลือกอะไรในชีวิตเนี่ยมันมันดีขึ้นแล้วก็ปลดล็อกความคิดเก่าๆไปได้ในแง่การเงินชีวิตนี่ก็ตอนนี้ก็ใช้ช่วยช้าลงแล้วก็ละเอียดละออมากขึ้น ใส่ใจกับอาหารการกินน้ำดืม่มรวมทั้งสังเกตอาการทางกายนะโดยเฉพาะเมื่อได้รับการเยียวยารักษาแต่นอกจากส่วนกายแล้วเนี่ยนะในส่วนจิตใจนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงก็คือผ่านไม่ความสำคัญนะกับการ ดูแลรักษาใจมากขึ้นเพราะว่ามีโจทย์ใหญ่ก็คือความวิตกกังวลไม่ใช่วิตกกังวลเฉพาะความเจ็บป่วยแต่วิตกกังวลถึงความตายเลยก็ต้องนะก็เห็นความสำคัญของการที่จะจัดการเดียวยาจิตใจแล้วก็รับมือกับอารมณ์เหล่านี้ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อย่างเช่นเวลา ไปร้านหนังสือเนี่ยนะก็สนใจแต่หนังสือประเภทที่ว่า How to ทำไงจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าเป็นหนึ่งนะในสาขาอาชีพของตัวแต่ว่าตอนนี้นี่นะก็เริ่มนะที่จะสนใจหนังสือที่จะช่วยทำให้ลดความกังวล แล้วก็สามารถที่จะทำให้จิตใจหายทุกได้คุณหมอบอกว่าแต่ก่อนนี่นะสนใจแตเรื่องศาสตร์ทางโลกและศาสตร์ทางโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ก็ดีหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จในวิชาชีพหรือความเป็นหนึ่งนะในแหล่วงของตัวเนี่ย ศึกษาไปแล้วนี่มันก็เหมือนกับว่าเราจะมีชีวิตไปตลอดนะแต่ว่าพอมาศึกษาเรื่องศาสตร์ทางธรรมเนี่ยก็ได้ข้่คิดว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตไปตลอดการสุดท้ายเราก็ต้องตายให้ความคิดเช่นนี้เนี่ยมันก็ทำให้ถันมา เติมตัวเตรียมใจได้ดีขึ้นในศาสตร์ทางโลกเนี่ยนะมันทําให้เราพยายามที่จะแข่งขันนะพยายามที่จะเอาชนะผู้อื่นและขณะเดียวกันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตนี้เป็นของเรานะมันอยู่ในอำนาจของเราอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมบังคับบัญชามันอย่างไรโดยเพราะร่างกายนี้จิตใจนี้ แต่พอมาศึกษาเรื่องศาสตร์ทางธรรมนี่ก็ทำให้ตระหนักว่าเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์อะไรนะกับสิ่งที่คิดว่าเป็นร่างกายของเราเลยโดยเพราะเมื่อวันนั้นมาถึงนะวันนั้นก็คือนะวันที่สิ้นลมนะหรือว่าวันที่ต้องตายนะในการมาเรียนรู้เรื่องนี้นี่ก็ ในแง่หนึ่งก็ทำให้ทำใจได้ดีขึ้นนะจริงเรื่องศาสตร์ทางธรรมนี่มันไม่ใช่แค่ว่าเตือนใจให้เราเลึกถึงความตายนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องข้างหน้านะแต่ว่ามันยังช่วยทำให้เราสามารถที่จะรับมือนะกับอารมณ์หรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจได้ ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับเรื่องทัศนคติการมองโลกนะถ้าเรามองโลกว่าเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของเราเร า, เราสามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชามันได้อันนั้นก็ทำให้นะเราหลงยึดติดนะแต่ถ้าเราตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมได้ มันก็ทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางส่วนนี้อตรตมาก็เสริมเอานะจากที่คุณหมอได้เขียนลงใน Facebook เมื่อเร็วๆนี้แล้วคุณหมอแกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่า้เราจะต้องปล่อยวางไปทุกสิ่งนะ มีคมสงสัยว่าเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตทั้งโลกเนี่ยนะเราก็ต้องแข่งขันเราก็ต้องเออเอาชนะประักด์นะบางทีเราก็ต้องปรารถนาวความเป็นหนึ่งแล้วมันจะไปด้วยกันได้หรือกับการที่ต้องเมตตาปล่อยวางนะซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสตร์ทางธรรมอันนี้เป็นคำคุณหมอเนี่ยเขาได้เตือนเราที่บอกว่ามันไปด้วยกันได้นะ เราสามารถจะใช้ชีวิตทั้งโลกนะทำให้ดีที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็รู้จักที่จะวางใจนะโดยเพราะการปล่อยวางเปรียบมันก็ว่าเนี่ยชีวิตก็เหมือนการเล่นเกมนะเล่นเกมเกมออนไลน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จำเป็นต้องไปอั s สกิลนะอั i สกิลก็คือว่าเกมออนไลน์มันจะมีตัวละครมีอ่ มีตัวละครหลายตัวนะซึ่งตัวละครบางตัวหรือว่าตัวเล่นบางตัวก็เราก็อยากให้เป็นผู้ชนะถ้าเราจะให้เขาชนะเราก็ต้องไปเพิ่มทักษะนะเรียวกว่า up skill ในตัวที่เล่นเป็นถ้าเราเล่นเกมออนไลน์นี่เราก็ต้องรู้จัก up skill นะในการที่เราต่อสู้ฟันเฟ่าภาษาเรา ก, ก็สามารถที่จะเพิ่มความสามารถ เพื่อทำให้สามารถเอาชนะนะเกมออนไลน์ได้เนี่ยคำอัพสกิลนี้ก็หมายถึงการที่มีความสามารถในทางธรรมหรือมีความรู้นในทางธรรมมากขึ้นแล้วคุณหมอบอเนี่ยพอเริ่มศึกษาเรื่องทางธรรมแล้วเรื่องพอเรื่องการพัฒนาจิตใจก็พบว่าได้ชิมีความสงบมากขึ้นรับมือกับความผิดหวังไม่เป็นไปดังใจ <c oughs> ได้ดีขึ้น เข้าใจผู้คนและชีวิตมากขึ้นและที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าสบตา ก, กับความตายได้มากขึ้นอีกหน่อยอันนี้ก็ก็เลยทำให้าสามารถที่จะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บได้แลวคุณบอกก็เพื่อประโยชน์นงนะบอเนี่ยผมโชคดีนะที่ได้มาเจอแรงกระตุ้นให้มาสนใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยในขณะที่อายุยังน้อยนะมองบวกนะไอ้แรงกระตุ้นที่ว่านี้คือก็คือความเจ็บป่วย ในความเจ็บป่วยนี่มันก็ที่มากระตุ้นให้เรามาสนใจเรื่องชีวิตจิตใจเรื่องการพัฒนาจิตใจนี่คุณหมอบอกว่าเนี่ยมันเป็นถือว่าตัวเองโชคดีแต่ว่าคุณหมอบอกว่าคุณ่ะโชคดีกว่าผมนะคุณก็หมายถึงคนอ่านนะถ้าคุณไม่จ็ไม่ป่วยแบบผมนี่แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจได้อย่างเดียวกับผมเนี่ยถือว่าคุณโชคดีนะ อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับพวกเรานะถ้าเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยนะถือว่าเราโชคดีแล้วเราโชคดีที่จะมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจมีโอกาสที่จะฝึกฝนจิตใจให้สามารถที่จะรับมือกับความเจ็บป่วยที่จะตามมารวมทั้งรักษาใจให้สงบนะแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขได้กูมาลงท้าว่าเนี่ยความสงบนี่คือความสุขนะแล้วการ ชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่มีคุณค่าทํำประโยชน์ใกับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข้อคิดที่ได้เรียนรู้ได้ไข้ครวญนะจากการที่เจ็บป่วยแล้วคุณหมอก็กลับมาตอนนี้ร่างกายก็ดีขึ้นนะปอดก็ตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นก็เรียกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วทั้งในแง่ของร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นหน้าอนุโมทนาแล้วก็น่าเรียนรู้